วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2561เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการเป็นวันหยุดทำงานซึ่งในสมัยพุทธกาลวันหยุดทำงาน ก็จะเป็นวันพระเรียกว่าวันพระวันที่ญาติโยมชาวพุทธหยุดการธรรมากินแล้วก็ไปวัดกันไปวัดเพื่อไปหาธรรมะเพื่อจิตใจร่างกาย ต้องการปัจจัยสี่เราก็ต้องทํางานทําการหาเงินหาทองเพื่อซื้อปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายจิตใจก็ต้องการธรรมะเพื่อที่จะได้มาดูแลจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดวันพระ ขึ้นมาวันให้เป็นวันที่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเข้าวากันเพื่อจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีประโยชน์แก่จิตใจอย่างไรบ้าง พรพุทธศาสนานี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่ามีหลายส่วนด้วยกันมีองค์ประกอบหลายส่วนถ้าเปรียบเทียบกับผลไม้ก็มีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อศาสนานี้ก็มีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็อาจจะไม่รู้เราอาจจะคิดว่าศาสนานี้มีแต่เปลือกเพราะว่าเปลือกเป็นสิ่งที่เราจะพบก่อนก่อนที่เราจะพบเนื้อเรานอจะพบเปลือกก่อนถ้าเราพบเปลือกแล้วเราไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะคิดว่าเปลือกนี้เป็น อเนื้อของศาสนาเราก็อาจจะหาแต่เปลือกไม่หาเนื้ อ, อการกินเปลือกกับกันกินเนื้อนี่ก็มีผลต่างกันกินเปลือกมันก็ไม่ อ, อ, อร่อยไม่ได้ให้ความอิ่มเหมือนกับการกินเนื้ อ, อกินเนื้อของผลไมาน้นี่ทั้งอร่ออร่อยอทั้งให้ความอิ่ม เนื้อของศาสนากับเปลือกของศาสนาเป็นอย่างไรเปลือกของศาสนาก็คื อ, อพิธีกรรมต่างๆที่เราศาสนาพิธีพิธีอแล้วก็ทาวรลบวัตถุต่างๆวัตถุมงคลต่างๆ พิธีสวดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นเปลือกของศาสนาที่บางท่านถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะคิดว่านี่คือเนื้อของศาสนาอาจจะเอาแต่พิธีเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็มีพิธีสวดงานนั้นงานนี้พิธีสวดศพพิธีสวดงานวันเกิด พิธีสวดวันขึ้นบ้านใหม่หรือไม่นั้นก็มีการาสร้างวัตถุมงคลามาให้กันได้กราบไหว้บูชาเด่านี้เป็นส่วนประกอบของาศาสนาคือเป็นเปลือกไม่ได้ให้ คุณประโยชน์เท่ากับเนื้อของศาสนาอะไรคือเนื้อของศาสนาเนื้อของศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานมรกคผลนิพพานคือการดุดพ้นของจิตใจจากความทุกข์ต่างๆในระดับต่างๆ อันนี้แหละคือเนื้อของศาสนาแต่การที่จะเข้าหาเนื้อของศาสนานี้มันยากกว่าการเข้าหาเปลือกของศาสนาเพราะว่าต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายที่มี เรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็จะเป็นของที่ต้องใช้เวลาเวลามากะต้องใช้ความเพียรความพยายามถึงจะสามารถศึกษาพระธรรมคาสอนได้เมื่อศึกษาแล้วยังต้องนำเอาไปปฏิบัติอีกเป็นเอาไปทำการบ้าน แล้วก็เอาไปทําข้อสอบเรียนแล้วก็ต้องทําการบ้านทําการบ้านแล้วก็ต้องไปสอบเพื่อจะได้รู้ว่ า, าผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้นะถึงจะเข้าถึงตัวเนื้อของศาสนาเกอดจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนเรื่องของเปลือกศาสนานี่ง่ายไปที่ไหนไ มีงานสวดก็ก็ไปก็ไปร่วมบุญเขาไปร่วมทําบุญมีงานสวดงานศพเราก็ไปแล้วเราก็ไปทําบุญหรือไปวัด เ, เราก็ไปร่วมบริจาคสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นเปลือกออมีประโยชน์น้อยกว่าเนื้อ แต่มันง่ายกว่าเพราะไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องใช้ความพยายามมากเวลาไปทำพิธีก็ไม่ต้องมีความควบคุมบังคับจิตใจหรือทำทำพิธีไปจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ประกอบไปด้วยก็ได้จะคุยกันก็ได้ แต่ถ้าจะเข้าหาเนื้อของศาสนาเช่นเวลาฟังธรรมก็ต้องควบคุมกายวาจาใจให้นิ่งให้สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่นิ่งไม่สงบ ก, ก็จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องเมื่อฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรเมื่อไม่รู้การปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติ ผลก็จะไม่เกิดมากผลนิพพานก็ไม่เกิดการเข้าหาเนื้อของศาสนาจึงเป็นของยากกว่าการเข้าหาเปลือกของศาสนาอคนที่ไม่ไม่ได้เข้าถึงเนื้อก็จะเข้าเข้าหาเปลือกแทนแล้วก็จะไปคิดว่านี่คือศาสนานี่คือสิ่งที่ศาสนาจะให้อื กับผู้ที่เข้าห า, าศาสนาคือทำบุญแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขมีความเจริญไปประกอบทาพิธีต่างๆไปร่วมงานสวดต่างๆหรือไปรับถาวอ ร, รับวัตถุมงคลต่างๆมเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วชีวิตก็จะ มีความเจริญมีความสุขความเจริญอันนี้ก็เป็นความสุขความเจริญเพียงเล็กน้อยอาจจะไม่สุขไม่เจริญก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุของความสุขและความเจริญเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญนั้น อยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลายระดับของความสุขของความเจริญมีตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปจนถึงระดับสูงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าเราจะได้อะไรจากการปฏิบัติ ในแต่ละระดับนนี่คือเรื่องของศาสนาอที่มีทั้งเปลือกและมีทั้งเนื้อธรรมดาเวลาเราไปซื้อผลไม้ามารับประทานเราก็มักจะปอกเปลือกทิ้งไปแล้วเราก็กินเนื้อกันอเราไม่ได้กินเปลือกแล้วก็ โยนเนื้อทิ้งไปกันแอ่กับศาสนานี้เราชาวพุทธมักจะทํากับกันเรามักจะกินเปลือกกันแล้วก็โยนเนื้อทิ้งไปเราจะไม่ค่อยเข้าหาเนื้อกันเวลาไปวัดเราก็จะไปที่โบสถ์ไปจุดธูปเทียนสามดอกถวายดอกไม้แล้วก็หยอดเหรียญ อยอดเงินใส่ตู้บริจาคเสร็จแล้วเราก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้อะไรก็ขอกันไปอยากได้เงินเจริญอยากร่ำอยากรวยก็ขอให้ร่ำให้รวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตอยากได้แฟนก็ขอแฟนอยากได้ลูกก็ขอลูกอยากแคล้วคลาดปลอดภัย ก็ขอให้ให้พระคุ้มครองอันนี้เป็นการเข้าหาเปลือกซึ่งอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการบางคนไปขอแล้วได้ก็เลยคิดว่านี่คื อ, อเหตุขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอ ขอเสร็จกลับบ้านไม่กี่วันก็ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาก็เลยาอาจจะคิดว่านี่เป็นเหตุนี่เป็นสิ่งที่าศาสนาให้กับเราแต่คนที่ขอแล้วไม่ได้ก็มีมากมายคนที่ขอแล้วไม่ได้ก็คิดว่ายัางไม่ถึงเวลาต้องรอไปก่อนนี่คือเรื่องของเปลือกของาศาสนาที่ ไม่ได้ให้คุณประโยชน์กับกีวิตจิตใจของพวกเรามากนักอาจจะให้ความความหวังให้ความสบายใจว่าได้กราบพระแล้วได้ขอพรแล้วทีนี้จะได้ไม่ได้ก็สุดแท้แต่เวรกรรมก็ทำได้เท่านั้นแต่ความจริงศาสนานี้ ให้อะไรให้กับเราได้มากมายกว่านี้เหมือนกับเนื้อของผลไม้ที่ให้อะไรมากมายกว่าเปลือกแต่เราไม่ได้เข้าหาเนื้อกันเองเท่านั้นเองกออาจจะไม่มีใครแนะก็ได้ว่าวิธีเข้าหาเนื้อของศาสนานั้นเข้าหากันอย่างไรอาจจะไป รู้จักคนที่รู้จักแต่วิธีเข้าหาเปลือกเขาก็สอนให้เราเข้าหาเปลือกแคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พาลูกพาหลานไปกราบพระไปกราบพระแล้วก็ไปขอพรพระก็คิดว่านี่คือวิธีเข้าห า, าศาสนากันไปวัดไปโบสถ์ไปกราบพระจุดธูปเทียนไปทําพิธีกรรมต่างๆในวันสำคัญทางาศาสนา เชนวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาก็มีการเวียนเทียนอะไรทำนอ<า>งนี้หรือถ้ามีงานที่บ้านเช่นมีบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาสวดหรือมีงานศพเราก็นิมนต์พระมาสวดศพอะไรเหล่านี้ เป็นเรื่องของเปลือกของศาสนาอ<ม>ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับจิตใจมากนักมไม่เหมือนกับเนื้อของศาสนา<ม>แต่การจะเข้าหาเนื้อของศาสนาได้นี้จะต้องศึกษาปฏิบัตินอันนี้จะเข้าได้ก็อาจจะต้องมีคนแนะนำํำ เช่นถ้าเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนี้จะเข้าหาเนื้อของศาสนานี้หาอย่างไรบางทีเราต้องเจอคนที่เขารู้จักก่อนที่เขารู้จักเขาก็จะสอนจะบอกให้เราศึกษาให้เราฟังเทศฟังธรรมให้เราอ่านหนังสือธรรมะกันเพราะว่าพอเราได้อ่าน เราก็จะได้รู้ว่าการที่จะเข้าหาเนื้อของศาสนานี้จะต้องทำอย่างไรบ้างพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำได้พอเราได้ทำเราก็จะได้เนื้อของศาสนาจะได้กินเนื้อของศาสนาอันนี้ก็คือเรื่องของศาสนาที่มีอยู่สอง ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นเปลือกและส่วนที่เป็นเนื้อวันนี้พวกท่านก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมก็แสดงว่าท่านได้กำลังเข้าหาเนื้อของศาสนาเข้าหามรคนิพานที่เป็นเนื้อของศาสนามรคนิพานคืออะไรมร ก, ก็คือการปฏิบัติธรรมระดับต่างๆ ผลก็คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติต่างๆซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาก็เหมือนกับการจบปริญญาระดับต่างๆ ปริญญาก็มีหลายระดับมีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก<ม>ก็ได้หลุดพ้นจากความความโง่อคนที่ได้รับปริญญาก็แสดงว่าฉลาดฉลาดเป็นขั้นขั้นไปขั้นตรีขั้นโทขั้นเอกหรือหลุดพ้นจากความโง่ขั้นตรีขั้นโทขั้นเอกไปยิ่งเรียนยิ่งสูงก็ยิ่งรู้มาก ยิ่งรู้มากก็ยิ่ ง, งโง่น้อยถ้ารู้น้อยก็ยิ่ ง, งโง่มากถ้าไม่เรียนหรือเรียนไม่จบก็จะงโง่ไม่ไม่ฉลาดฉันในการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคก็จะได้ผลผลก็จะคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในแต่ละระดับหลุดพ้นจากน้อยไปหามากหลุดพ้นจากความทุกข์ ส่วนหนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่พอหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งสี่ส่วนก็จะได้พระนิพพานพระนิพพานก็คือที่ไม่มีความทุกข์อยู่เลยในจิตในใจมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ถึงแม้จะมีความสุข ก็เป็นความสุขที่เป็นสุขแบบชั่วคราวสุขแบบควันไฟจะเรียกว่าเป็นความสุขปลอมก็ได้พราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปไม่ได้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วพอความสุขปลอมนี้หายไปความทุกแท้ก็เข้ามาสู่จิตใจ ความทุกแท้นี้มีอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาเพียงแต่เราเอาความสุขปลอมมากรบมันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพอความสุขปลอมที่เรามากรบมันหายไปมันจางไปความทุกแท้ก็โผล่กันมาอีกใจของเรานี้จะกำจัดความทุกแท้ได้นี้จะต้องเกิดจากการเข้าหาเนื้อของพระศาสนา จะต้องเข้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้วิธีที่จะกําจัดความทุกแท้ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดไปได้อย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องนําออกไปปฏิบัติเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปความทุกแท้ที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหมดไป เหลือแต่ความสุขแท้ที่จะอยู่ในใจของเราไปตลอดตลอดเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่คือเรื่องของเนื้อของศาสนาที่เราจะต้องใช้การศึกษาศึกษาหลายอย่างเพื่อที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ สิ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเราควรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นใครท่านมีความสำคัญต่อการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพวกเราอย่างไรศึกษาประวัติของพระอาหารหันตสาวกว่าท่านเป็นใครท่านจึงเป็นท่านถึงเป็นพระอาหารหันตสาวก ทำไมพวกเราจึงไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกทำไมพวกเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาเราถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าต่างจากพวกเราอย่างไรพระอรหันตสาวกต่างจากพวกเราอย่างไรแล้วท่านทําตัวของท่านอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรท่านจึงต่างจากพวกเราทําไมท่านไม่เหมือนพวกเราอันนี้ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาคือศึกษาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่ า, วาท่านเป็นอย่างไรท่านมีความสําคัญต่อ ต่อความต้องการของเราอย่างไรเพราะเราทุกคนต้องการอะไรสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราตลอดเวลานี้ให้มันหายไปอย่างถาวรก็จะไม่มีใครที่จะสอนเราได้นอกจากพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นเราจรึงต้องศึกษาว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอาหารหัตสาวกถึงสอนพวกเราให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ท่านทำไมจึงสอนให้เรากำจัดความทุกข์ที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกนี้ ท่านได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดสิ้นไปแล้วท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรท่านได้สร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้อยู่ในใจของท่านไปได้ตลอดเราจึงต้องเข้าหาคนที่รู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงรู้จักวิธีที่กำจัดความทุกข์ ที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมันหมดไปถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีความสําคัญอย่างไรเพราะำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความสําคัญอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้พวกเราจะไม่มีใครรู้ว่าวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั้น กำจัดมันได้อย่างไรกำจัดให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างไรวิธีที่จะสร้างความสุขให้มันอยู่ในใจของเราไปอย่างถาวร น, นี้สร้างอย่างไรตอนนี้พวกเราก็พยายามสร้างความสุขกันพยายามดับความทุกข์กันแต่ความสุขที่เราสร้างนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่าเวลามันหมดไป ความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ทันทีเราทำอย่างไรเราก็ได้พยายามมากน้อยเพียงไรด้วยวิธีการต่างๆเราก็ทำได้เพียงแต่สร้างความสุขชั่วคราวเท่า น, นั้นเองดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาหาใหม่พอความสุขที่เราเอามาโปะมามาทับถมความทุกข์มันหมดไปความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ <Yeah. S 2> เราจึงไม่สามารถาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้ด้วยด้วยความสามารถด้วยความรู้ความสามารถของเราเอง <Yeah. S 2> ของพวกเราทุกคนเมื่อเราจะไปศึกษาจากใครก็เหมือนกันไม่มีใครรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างแท้จริงอ <Yeah. S 2> ไม่มีใครรู้วิธีที่จะสร้างความสุข ให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างถาวรให้ได้อยู่อย่างถาวรมีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้วิธีเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือหาพระอริยสงสาวกเพื่อให้ท่านได้สั่งสอนวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง เราจึงต้องไปวัดกันเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพระอาริยะสงฆ์สาวกถ้าเราไปวัดแต่เราไม่เข้าวัดไปเพียงที่โบสถ์ไปกราบพระจุดธูปเทียนแล้วก็ยอดเงินใส่ตู้อันนี้ก็ยังถือว่าไปเพียงที่ประตูวัดเท่านั้นเองยังไม่ได้ไปเข้าหาก็าหาเข้าไปในวัด เพราว่าถ้าจะเข้าไปในวัดนี้ต้องเข้าไปหาพระอริยสงฆ์ไปหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอะไรคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่ได้มีการจดจาและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกนี่แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้าหาพระธรรมคําสอนเหมือนกับได้เข้าพบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านอยู่ได้ไม่เกินแปดสิบปีท่านก็ต้องตายจากโลกนี้ไปถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเวลาเราไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะสอนเหล่าเน้นสอนเราบอกเราวิธีกําจัดความทุกข์ว่ากําจัดอย่างไรอคําสอนนี้ก็ได้ถูกจดจําเอาไว้บันทึกกันเอาไว้ออแล้วก็รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนั้นเวลาที่เราอ่านพระไตรปิฎกก็เท่ากับเราอะได้ยินได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าเพราะ เพราะว่าพระธรรมที่มีบันเทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เป็นคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพวกเรานี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระบรมศม า, าสดาเป็นพระบร ม, มครูของพวกเราถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจ ะ, ะล่มสลายหายไปหมดแล้วก็ตาม แต่คําสอนของท่านยังอยู่ไม่ไม่ได้ล่มสลายไปกับพระธรรมคำสอนไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้เข้าหาพระธรรมคําสอนก็ถือว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นการเข้าวัดเราเราจึงต้องเข้าหาพระธรรมคําสอนพระธรรมคําสอนนี้เราก็สามารถเข้าได้สองวิธีด้วยกัน คือเข้าด้วยการไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกหรือเข้าด้วยการไปหาพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุได้บรบรลุมรรคผลมิผลท่านก็จะสามารถสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนได้เหมือนกันนี่คือการเข้าวัดอย่าไปเข้าเพียงแต่ไปที่โบสถ์ ไปจุดธูปเทียนถวายดอกไม้แล้วก็หยอดเงินเข้าไปในตู้บริจาคแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นการเข้าเข้าถึงเปลือกของศาสนาเท่านั้นเองที่ไม่ได้ประโยชน์มากนักไม่เหมือนกับการเข้าหาเนื้อของศาสนาเข้าหาเนื้อนี้ก็ต้องเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาศึกษาแล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติได้ต้องศึกษาทั้งพระธรรมศึกษาทั้งพระประวัติเพราเราจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนได้ส่งปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนนี้พระองค์ทรงตรัดว่าได้พระองค์ได้ส่งปฏิบัติมาแล้วถ้าพระองค์ไม่นาเอาสิ่งที่พระองค์ ไม่ได้ปฏิบัติมาสั่งมาสอนไม่เหมือนพวกเราเวลาบางทีสอนลูกนรำมักจะสอนในสิ่งที่เราไม่ปฏิบัติสอนให้ลูกพูดไม่ให้พวกไม่ให้โกหกแต่เราก็ไปโกหกสอนให้ลูกไม่พูดคำหยาบเราก็ไปพูดคำหยาบเองแ ต, แต่ลูกมันฉลาดมันไม่ได้ฟังคำสอนของเรามันดูการกระทำของเรามากกว่า มันเป็นเหมือนลูกปูลูกปูนี่มันดูว่าแม่ปูทำอย่างไรมันก็ทำตามแม่ปูถึงแม่แม่ปูจะสอนบอกให้เดินตรงเองลูกปูมันก็ไม่ฟังมันก็จะดูว่าเวลาแม่เดินแม่เดินอย่างไรแม่เดินเฉยไปเฉยมาลูกมันก็เดินเฉไปเฉยมาอันนี้คือการศึกษาการสั่งการสอนต้องสอน ถ้าเราจะสอนให้เขาทำอะไรเราต้องทำก่อนถ้าเราสอนอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งนี้คำสอนของเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์คนฟังเราจะไม่เชื่อแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราสอนนี่มันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อเขาเห็นเราทำเห็นเราพูดว่ามันตรงกันเขาก็ไม่มีวิธีเขาก็ไม่มีสิ่งอย่างอื่นที่จะมาเอาไปเป็นตัวอย่าง เราก็จะต้องเอาการกระทาของเราเอาการสอนของเราคำสอนของเรานี้ไปเป็นไปเป็นตัวอย่างนี่คือคุณสมบัติของครูที่ดีครูที่ดีก็ครูที่กระทาและพูดเหมือนกันพูดอย่างไรก็ทาอย่างนั้นสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนี่คือพระพุทธเจ้า คือพระ อ, อริยะสงสาวกทั้งหลายสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ทํามาแล้วทั้งนั้นเมื่อท่านได้ทํามาแล้วท่านเห็นผลว่ามันดีวิเศษท่านก็เลยนําเอามาสั่งสอนพวกเราเหมือนกับพ่อแม่ที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็อยากจะสั่งสอนลูกให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกให้ทําสิ่งที่ดีให้ละเว้นในการ ก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่เพียงแต่สอนแต่ไม่ทำเป็นตัวอย่างลูกก็มักจะไม่ทำตามคำสอนลูกก็จะทำตามตัวอย่างที่พ่อแม่ได้ทำเอาไว้ น, นี่คือเรื่องการเข้าหาเนื้อของศาสนานต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะได้เนื้อแท้ของศาสนาน ถ้าเราเข้าห า, เ, าเข้าหาผู้อื่น เ, เช่นในศาสนานี้เรามีครูอาจารยา์ที่เป็นพระที่มาบวชพระที่มาบวชนี้ก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลทุกๆคนยังอยู่ในการศึกษาอยู่ก็มีอยู่ในการปฏิบัติก็มี มีผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุแล้วก็มีถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยเราก็ยังจะไม่ได้คำสอนที่ที่แท้จริงเพราะท่านยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวของท่านตามคำสอนได้ถ้าท่านสามารถปฏิบัติตัวตามคำสอนได้ท่านก็จะสามารถบรรลุได้ ถ้าไปศึกษากับพระที่ยังไม่บรรลกุก็อาจจะเป็นเหมือนกับพ่อแม่หรือแม่ปู่ที่สอนลูกปู่เวลาไปศึกษาท่านก็จะสอนให้เราทําดีละชั่วให้กำชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่พอเราดูการกระทาของท่านมันไม่ได้ตรงกับคาสอนที่ท่านสอนที่สอนให้ทําดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เราก็ยังเห็นว่าท่านก็ยังสะสมใจสะสมสิ่งที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองคือกิอเลสตัณหาอยู่ในใจอยู่แทนที่จะชำระท่านก็ไม่ชำระท่านก็กําลังสะสมให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปสะสมความโลภความโกรธความหลงถ้าอย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะสอนให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาการจะเข้าหาเนื้อของศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าเราไม่แน่ใจในในบุคคลที่เราเข้าหาสิ่งที่เราแน่ใจได้ก็คือคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นคาสอนที่ที่เป็นคาสอน จากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสูตรต่างๆเจนธรรมจากกับปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรอันแรกที่พระองค์ได้ทรงสแสดงเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระปฐมเทศนาหรือพระสติปัฏฐานสูตรหรือมงคลลสูตรอันนี้จะเป็นสารวิธีให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้ หลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆเพียงแต่ว่าการสอนการศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้อาจจะยากต่อการเข้าใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้รายละเอียดเท่าที่ควรทรงสอนแบบสรุปหัวข้อให้ฟังว่าให้ทำอะไรบ้างเช่นในมงค ล, ลสูตรข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านก็สแสดงว่า อยากคบคนพานให้คบบัณฑิตอันนี้เราภาษาที่แปลมาเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ได้ว่าคำว่าคนพานนี้หมายถึงอะไรบัณฑิตนี้หมายถึงใครเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าพานกับคำว่าบัณฑิตนี้ไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อีกความหมายหนึ่งก็ได้อย่างนี้เราเรียกคนที่จบมหาลัยจบปริญญาว่าเป็นบัณฑิตกัน อันนี้หมายถึงบัณฑิตในที่ในมงคลสูตรหรือเปล่าคำว่าคนพา น, นี้เราก็คิดว่าเป็นคนพาลพโลคนเจ้าอารมณ์คนไม่มีเหตุไม่มีผลอันนี้เป็นความหมายในมงคลละสูตรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าภาษามันเปลี่ยนไปภาษาโบราณคำว่าคนพานก็คือคนง้อคำว่าบัณฑิตก็คือคนฉลาด แล้วฉลาดอย่างไงถึงฉลาดอย่างไงถึงเรียกว่าฉลาดง่ออย่างไรถึงจะเรียกว่าโ ง, าา ง, ง, างา่ในทางพุทธศาสนาคนที่จะฉลาดนี้ท่านบอต้องฉลาดด้วยด้วยความรู้เจ็ดประการด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้จักประมาณรู้กาลเทศะอันนี้ก็เป็น เป็นความรู้ที่ทจะทําให้คนฉลาดแต่ในยุคปัจจุบันเราก็ไปคิดว่าคนที่จะฉลาดต้องจะต้องจบระดับปริญญาต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกถึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตคนคนงอกก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่ จากหนังสือโดยลำพังนี้เราอาจจะควายเขวเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะต้องใช้เวลาค้นคว้าพอสมควรกว่าที่จะถึงถึงจะเข้าใจความจริงของคำสอนได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้เข้าหาพระอริยบุคคลพระผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ท่านก็จะสามารถอธิบายให้เราฟังได้อย่างแจ่มแจ้งว่าบัณฑิตนั้นคือใครคนง้อคนผ่านคือใครคนง่อคนผ่านก็คือคนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณพวกเรารู้ความรู้เจอย่างนี้หรือเปล่า การรู้เหตุนี้ให้รู้รู้อย่างไรถึงจะเรียกว่ารู้เหตุรู้อย่างไรถึงจะรู้ว่ารู้ผลอะไรคือเหตุอะไรคือผลในศาสนาเหตุก็คือการกระทําที่พวกเราทํากันอยู่นี่ทางกายทางวาจาและทางใจที่เราเรียกว่ากรรมนี่เองเรียกก็คือเหตุกรรมนี่ก็มีสามมีทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจา ก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมและเหตุทั้งสามนี้อะไรเป็นต้นเหตุใหญ่ต้นเหตุใหญ่ก็คือมโนกรรมเอคือความคิดก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่เราจะทําอะไรได้ทางร่างกายเราต้องคิดก่อนเชิญวันนี้เราจะมาวัดนี้เราต้องคิดกันก่อนคิดว่าวันนี้วันหยุดวันเสาร์ ไม่รู้จะไปไหนดีหรือมีความตั้งใจอยากจะมาวัดก็คิดแล้วคิดว่าจะมาวัดพอถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางแล้วถ้าเราอยากจะชวนเพื่อนชวนฝูงชวนญาติพี่น้องเราก็พูดว่าวันนี้ไปวัดดีไหมไปวัดกันไหมวันนี้จะไปวัดอันนี้ก็เรียกว่าวาจีกรรมกายกรรมที่เป็นลูกน้อง เป็นของลูกน้องของมนโนกรรมผู้ที่ทํากรรมจริงๆจึงเป็นใจผู้คิดส่วนร่างกายและคําพูดนี้เป็นเหมือนผู้รับใช้เป็นบ่าวเป็นผู้รับการรับคำสั่งไปทําอีกทีเป็นเหมือนเครื่องมือและผลคืออะไรผลก็คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ทําเหตุคือได้ทํา กรรมทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองผลที่จะเกิดขึ้นได้แก่อะไรก็คือเกิดที่ใจเราเป็นหลักผลที่จะเกิดขึ้นที่ใจคืออะไรก็คือความสุขและความทุกข์นั่นเองเอหรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเหตุคือการกระทาของพวกเราเราทำกันอยู่สามสามชนิดด้วยกันาทาบุญหรือทำความดี ทำบาปหรือทำชั่วออแล้วก็ทำบาปกลางๆไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาสนี่คือการกระทำต่างๆที่เราทำกันอยู่การรู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลเพราะว่าถ้าเราทำบุญผลที่จะเกิดคืออะไรก็คือความสุขใจออถ้าเราทำบาป ผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือความทุกข์ใจถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปผลที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรก็ไม่มีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจอันนี้คือผลนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเรารู้เหตุของความสุขแล้วก็สร้างเหตุนั้นเราก็จะได้ความสุข เช่นวันนี้เราอยากจะมีความสุขใจเราก็มาทำบุญกันบุญก็มีหลายหลายแบบด้วยกันการทำบุญทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจการความสุขใจบุญที่เกิดจากการทำทานวันนี้เราทำทานเราเอาเข้าวของเงินทองมาถวายวัดอันนี้ก็เป็นการทำทานทำแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา อันนี้เป็นตัวอย่างของบุญถ้าเราอยากจะรู้ว่าบุญมีกี่ชนิดก็ต้องศึกษาบุญมีต้องสิบชนิดบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการนับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการาฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการาให้ทารรมให้ธรรมะแก่ผู้อื่น อ, อันนี้ก็คือบุญต่างๆถ้าวันไหนเราอยากจะมีความสุขใจ เราสะดวกที่จะทำบุญแบบไหนเราก็ทำไปทำปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยนี่คือนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นที่ใจนอกจากผลที่เราได้รับในขณะที่เราทำแล้วยังมีผลที่จะตามมาอีกต่อไปผลที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นที่ใจเราก็คืออะไรก็คือตายไปแล้วนี่บุญที่เราทำมันก็จะพาให้เราไปสุขคติกันไปสวรรค์กันไปเกิดเป็นเทวดา ไปเป็นอินเป็นพรมกันส่วนบาปที่เราทำไว้มันก็มีผลที่จะพาให้เราไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุลกายไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกันเออทำไมเราจึงมีสัตว์เดรัจฉานกันทำไมเราไม่มีเพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวเออก็เพราะว่ามีการกระทำไม่เหมือนกันก่อนที่เป็นมนุษย์นี้เวลาเป็นมนุษย์มีการกระทำที่ไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำบาปบางคนก็ทำบุญบางคนก็ไม่ทำบาปไม่ทำบุญจึงมีผลให้ปรากฏมาไม่เหมือนกันคนที่ทำบาปก็อาจจะต้องไปก็ต้องไปไปเป็นเดละชานคนที่ทำบุญก็ไปเป็นเทวดาคนที่ไม่ทำบาปไม่ทำบุญก็มาเป็นมนุษย์กันหรือคนที่ทำบุญ เมื่อไปเป็นเทวดาบุญที่ส่งไปหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เนื้อคนที่ทําบาปไปเป็นเดรัจฉานเพรอบาปที่ส่งไปหมดกําลังก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราจึงมีการเกิดยึกันอยู่เรื่อยๆและมีการเป็นมีการไปเกิดเป็นอะไรต่างๆกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราทําอะไรต่างๆไม่เหมือนกันในแต่ละวันนี้ในชีวิตของเรานี้บางวันเราก็ได้ทําบุญ บางวันเราก็ได้ทําบาปบางวันเราก็ไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปการไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปทำอย่างไรก็เวลาที่เราทําอะไรให้กับร่างกายของเราเช่นไปออกกาลังกายอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นการทําบุญหรือเป็นการทําบาปเพราะการทําบุญนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นการทาบุญนี้ไปมีส่งผลกระทบก่อต่อผู้อื่น ถ้าทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็เรียกว่าทำบุญถ้าทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์เราก็เรียกว่าทำบาปแต่ถ้าการกระทาของเราไม่ไปมีผลกระทบต่อผู้อื่นไม่ได้ทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์หรือมีความสุขเราก็เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่นเราทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัว อันนี้เป็นการกระทำที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่นแต่ก็เป็นการกระทำเหมือนกันเป็นเหตุเหมือนกันแต่เป็นเหตุที่ไม่ได้ทำให้ใจเราทุกข์หรือไม่ได้ทำให้ใจเราสุขอันนี้ก็คือรู้การรู้เหตุรู้เหตุแล้วก็รู้ผลที่จะตามมาจากเหตุเรียกว่าเป็นเป็นความรู้ที่จะทำให้เราเป็นบัณฑิตทำให้เราเป็นคนฉลาด ความรู้ข้อที่สามก็ให้รู้ตนการจะรู้จักตนก็คือรู้ว่าเราเป็นใครนั่นเองคนเรานี่มีฐานะไม่เหมือนกันแต่ละคนนี้มีสถานภาพต่างกันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกเิดย์เป็นอาจารย์เป็นคารวาสเป็นนักบวชอันนี้เป็นสถานภาพต่างๆที่เราเป็นกันและในแต่ละสถานภาพเราก็ต้องปฏิบัต ให้เหมาะสมกับฐานะสถานภาพของเราเป็นหญิงแล้วก็ทำตัวเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ทำตัวเป็นชายเป็นเด็กเราก็ต้องทำตัวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นพระก็ต้องทำตัวเป็นพระเป็นาราวาสก็ต้องทำตัวเป็นาราวาสถ้าลองไปทำผิดมันก็จะกลายเป็นของแปลกขึ้นมาก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักตนไม่รู้จักสถานภาพของตนว่าเป็นอย่างไรเช่นถ้าเป็นพระแต่ไม่รู้จักรักษาสถานภาพของพระก็อยู่เป็นพระไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกเขาจับสึกไปถ้าเ ป, เป็นเด็กแล้วไปทำตัวเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวก็ถูกเขาถูกเขาตาหนิตเตีอนได้ นี่คือเรื่องของการรู้ตนเราต้องรู้จักฐานะของเราแล้วก็ทําตัวของเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราแล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมานั่นเองก็คือไม่มีความทุกข์ตามมาเราต้องการความสุขเราไม่เราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการปัญหาเราก็ต้องรู้จักวิธีที่เราจะทําตัวของเราให้ถูกต้องตามฐานะของเราเอ เป็นสามีเป็นภรรยาอย่างนี้ก็มีก็เป็นก็เป็นสถานภาพอย่างหนึ่งเป็นสามีแล้วอย่างอยากจะไปมีแฟนอื่นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นภรรยาแล้วก็อยากจะไปมีข้างนอกบ้านอีกอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เราต้องรู้จากฐานะของเราคือการรู้ตนนี้เองส่วนรู้บุคคลก็รู้คนอื่น เราไม่ได้อยู่คนเด <c ann bal> ียวในโลกนี้เราอยู่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็มีฐานะต่างกันต่างกันที่เราจะต้องรู้ว่าคนที่มีฐานะอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนที่เขาแก่กว่าเราเราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนที่เขาอ่อนกับเราเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนที่เขาเท่าเรา เราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเดี๋ยวก็เกิดปัญหาได้นี่ก็คือเรื่องของการรู้บุคคลในสังคมที่เราอยู่ด้วยว่ามีมีฐานะต่างกันเช่นบุคคลที่สูงกว่าเราเช่นบิดามารดาปุยญาตายายครูบาอาจารย์เราจะไปตีตนเสมอท่านก็ไม่ได้ไม่ถูกเราก็ต้อง อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่สูงกว่าเราส่วนผู้ที่เท่าเราเราก็เอทำเราก็ไม่ต้องเคารพไม่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้เราก็เราก็ปฏิบัติกันอีกแบบหนึง่งคนที่ต่ำกว่าเราเราก็ปฏิบัติอีกแบบหนึง่งเช่นลูกเราเขาต่ำกว่าเราเราก็ ปฏิบัติกับเขาเอกีกรูปแบบหนึ่งไม่เราไม่ปฏิบัติกับลูกเราเหมือนกับเราปฏิบัติกับพ่อแม่เราคนที่เท่าเราก็คือสามีภรรยาเราหรือเพื่อนฝูงเราเราก็ไม่ปฏิบัติเหมือนกับเราปฏิบัติกับพ่อแม่หรือปฏิบัติกับลูกอนี้ก็คือเรื่องของการรู้บุคคลส่วนการรู้สังคมคือรู้ให้รู้อะไร สังคมก็คือกฎระเบียบต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของสังคมเราไปอยู่ในสังคมนี้แต่ละสังคมเขาก็จะมีกฎมีระเบียบมีมีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกันถ้าเราไปทำผิดกฎผิดระเบียบผิดประเพณีเราก็อาจจะอยู่กับเขาไม่ได้ดังนั้นเราต้องศึกษาเวลาเราไปอยู่ที่สังคมไหน เวลาเราอ ย, อ, อยู่ในบ้านก็เป็นสังคมหนึ่งบ้านเราก็อีกบ้านหนึ่งบ้านคนอื่นก็อาจจะมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าสมมติว่าเราต้องไปอยู่กับบ้านคนอื่นเราก็ต้องศึกษาดูว่าเขามีกฎมีระเบียบอย่างไรเช่นบ้านเราอาจจะไม่มีข้อห้ามให้เข้าออกออกไปข้างนอกบ้านจะกลับมากี่โมงก็กลับได้แต่ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเขาอาจจะมีกฎระเบียบว่าห้ามห้ามออกจากบ้านหลังจากเวลานั้นเวลานี้ ถออกไปข้างนอกจะต้องกลับเข้าบ้านก่อนเวลานั้นเวลานี้ถ้าเราไม่ทําตามกฎระเบียบของบ้านนั้นเราก็จะอยู่กับบ้านนั้นไม่ได้หรือสังคมอย่างอื่นสังคมที่โรงเรียนเขาก็มีกฎมีระเบียบไปโรงเรียนก็จะต้องแต่งเครื่องแบบนี่ต้องขับไปโรงเรียนต้องไปก่อนเวลานั้นเวลานี้จะออกออกจากโรงเรียนก่อนเวลานั้นเวลานี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของสังคมของโรงเรียน ที่ทำงานก็ม <diet> ีกฎมีระเบียบที่วัดก็มีกฎมีระเบียบใช่ไหยเวลามาที่วัดเนี่ยก่อนที่จะมีแสดงธรรมก็มีผู้ประกาศกฎระเบียบของที่นี่ให้ฟังเพื่อจะได้รู้ว่าจะจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างเหตุการณ์ที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นอันนี้เราก็เรียกว่ารู้สังคมแล้วรู้ รู้ข้อต่อมาก็คือให้รู้ประมาณให้รู้การละเทศะการละเทศะก็คือให้รู้การและเวลาการและสถานที่เวลาเราไปอยู่ที่ไหนนี้มันจะมีการมีสถานที่เราไปสถานที่หนึ่งเวลาหนึ่งสถานที่นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรกับสถานที่นั้นในเวลานั้น เช่นเวลาเราไปงานศพนี慢慢่เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องแต่งกายอย่างไรต้องทําหน้าตาอย่างไรไปงานแต่งงานแล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องแต่งกายอย่างไรทําหน้าตาอย่างไรพูดคุยกันอย่างไรไปงานศพถ้าไปหัวเราะเหมือนกับไปงานแต่งงานเดี๋ยวก็ไม่ถูกกาละเทศะไปงานแต่งงานแล้วทําหน้าขมน้องห่มล้องไห้วยมันก็ไม่ไม่ถูกใส่ชุดดําไปงานแต่งงาน เดี๋ยวก็ถูกเขาเชิญออกจากงานไปอนี่คือเรื่องเรื่องรู้จักการละเทศะเรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้ก็คือรูปประมาณรูปประมาณก็คือรู้ความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีเช่นตัวอย่างความรู้จักประมาณก็คือรู้ประมาณในปัจจัยสี่ ของที่เราต้องบริโภคเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราเราต้องการปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้ประมาณถ้ามีมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีน้อยเกินไปมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเดือดร้อนได้เช่อาหารรับประทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกาย เป็นโครคภัยไข้เจ็บได้โรคภยัยร่างกายเสียความสวยความงามไปก็ได้กินมากก็กลายเป็นตุ่มไปแล้วก็มีโรคเบียดเบียนมีความดันมีเบาหวานมีไขมันอุดตันมีโรคอะไรต่างๆเยอะแยะตามมาเพราะกินมากเกินไปถ้ากินน้อยเกินไปก็ร่างกายก็สู้พร้อมก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกัน ดันการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานพอต่อความต้องการของร่างกายถึงจะไม่เกิดโทษถึงจะไม่มีปัญหาตามมาการรู้สิ่งต่างๆนี้รู้เพื่อที่จะให้เราได้ทำแล้วไม่ให้มีปัญหาตามมาไม่ให้มีเรื่องตามมาไม่ให้มีทุกข์ตามมานั่นเองปัจจัยสี่อาหารก็ต้องพอดีเสื้อผ้าก็ต้องพอดีมากเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์ก็เสียเงินเสียทองไปเปล่า เงินทองหายากแทนที่จะเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นก็อาจจะเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นถ้าเราไม่รู้จักความพอดีเสื้อผ้าเรามีกี่ชุดถึงจะพอเคยถามตัวเองบ้างไหมเคยมีกําหนดว่ามีกี่ชุดมีเท่านี้แล้วจะพอจะไม่ซื้ออีกถ้าจะซื้ออีกก็ต่อเมื่อมันขาดหรือมันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเอราถึงค่อยซื้อใหม่เอ เพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมเดี๋ยวเราจะใช้ใจ่ายเกินตัวแล้วอาจจะกลายเป็นคนมีหนี้มีสินตามมาก็ได้ถ้าเราใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่จำเป็นเราต้องรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่ถ้าเราใช้ใจ่ายถูกต้องตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็อยู่สบายเราก็ไม่วุ่นวายมากจนเกินไปที่จะต้องคอยไปหาเงินหาทอง มาใช้กับสิ่งที่มันฟุ้งเฟยสิ่งที่ไม่จำเป็นนะนี่ก็คือเรื่องของการเป็นบัณฑิตของทางพระพุทธศาสนานะถ้ารู้เจ็ดอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งกับพวกที่จบปริญญาเอกเชื่อไหมเพราะพวกที่จบปริญญาเอกถ้าไม่รู้ความรู้เจ็ดชนิดนี้ก็ยังจะต้องเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ จะต้องไปติดคุกติดตารางหรือข้าตัวตายก็ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุรู้จักผลไม่รู้ว่าการทำบาปนี้จะทำให้เกิดปัญหาเกิดโทษตามมาเรียนจบด็อกเตอร์ก็ยังทำบาปได้ยังติดคุกติดตารางได้ยังข้าตัวตายได้แต่ถ้าจบถ้าเป็นบันเด็ทางพระพุทธศาสนาคือรู้ความรู้เจ็ดประการนี้แล้วรับรองได้ว่า จะไม่ต้องติดทุกติดตรางจะไม่ต้องข้าวตัวตายเพราะจะรู้เหตุรู้ผลจะรู้จักวิธีว่าจะคนจะทำอย่างไรที่จะทําให้ตนเองมีความสุขเวลามีความทุกข์จะดับความทุกข์ได้อย่างไรอันนี้จะจะรู้ได้ในพระพุทธศาสนาคนที่ไม่รู้นี่เวลาเกิดความทุกข์มากๆบางทีไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์ก็กระโดดตึกตาย คนที่มีพระพุทธศาสนานี้จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากใจนี้เองเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากพอไม่ได้ก็เสียใจวิธีง่ายวิธีที่จะดับความเสียใจก็หยุดความโลภหยุดความอยากเท่านั้นเองพอหยุดความโลภหยุดความอยากได้ความเสียใจก็จะหายไปไม่ต้องไปข้าตัวตายนี่คือเรื่องของการเข้าหาเนื้อหา เนื้อของศาสนาเนี่ยมันเป็นของยากกว่าการเข้าหาเปลือกการเข้าหาเปลือกนี่ง่ายเนี่ยขับรถไปวัดไปถึงวัดก็ไปจุดทูบเทียนถวายดอกไมก้กราบหยอดเงินเข้าตู้บริจาคถ้าทางวัดมีวัตถุมงคลให้เช่าก็เช่าวัตถุมงคลเอากลับไปบ้านอันนี้ก็ถือว่าได้เข้าถึงศาสนาแล้วได้พระคุ้มครองชีวิตแล้วได้บุญได้กุศลแล้ว อันนี้คือเปลือกส่วนเนื้อนี่มันยากเพราะาไหนจะต้องหาคนสอนไหนจะต้องหาหนังสือดีๆหนังสือธรรมะมาอา่อานอ่านแล้วก็ยังอาจจะไม่เข้าใจต้องอาจจะต้องไปถามคนนั้นคนนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรแปลว่าอย่างไรกว่าจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วยังต้องไปปฏิบัติอีกปฏิบัติมันก็ยิ่งยากอีกเพราะว่า ใจของเราไม่ชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเออเห็นเวลาที่จะมาสอนใจให้ปฏิบัติก็เหมือนกับมาสอนม้าป่าให้เป็นม้าเชื่องเนี่ยกว่าจะเอาม้าป่ามาทำให้มันเชื่องได้นี่ก็ต้องสู้กันแบบดิ้นห้อยกว่าที่ม้าป่ามันจะยอมแพ้เราจิตเราก็เหมือนกันจิตเรานี่ถ้ายังไม่ได้มีธรรมะมาอบรมนี้มันเหมือนม้าป่ามันจะทาอะไรตามอารมณ์ของมันตามความอยากของมัน แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องกลายเป็นปัญหาตามมาให้เราต้องมาแก้แบบไม่มีวันจบวันสิ้นนั้นมนันเป็นการยากที่จะเข้าถึงเนื้อของศาสนาคือได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสาหรับผู้ที่มีความเห็นคุณค่าของเนื้อหาเนื้อของศาสนาและมีความเพียรมีความพยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติ ถ้ามีความเพียรความพยายามไม่ย่อท้อพยายามศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอเข้าใจแล้วว่าจะต้องเอาไปปฏิบัติอย่างไรก็ไปปฏิบัติยากง่ายก็พยายามสู้กับมันไปสู้แบบไม่ถอยไม่ช้าก็เลยก็จะสำเร็จเหมือนกับพระอริยบุคคลที่ท่านได้สำเร็จก่อนก่อนที่พวกเรามาศึกษากันในตอนนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนต้นท่านก็ ไม่รู้เรื่องรู้แล้วท่านก็ไปศึกษาพอรู้แล้วท่านก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติท่านก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของท่านท่านก็สู้แบบไม่ถอยสู้แบบไม่หยุดพอสู้แบบไม่ถอยสู้แบบไม่หยุดกิเลสมันก็ต้องยอมแพ้กิเลสมันก็ตายไปหายไปหมดท่านก็เลยกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติแบบไม่ถอยไม่หยุดในไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถบรรลุถึงผลที่พระอริยะบุคคลทั้งหลายได้บรรลุถึงกันเหมือนกันนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่มีทั้งสองส่วนคือมีทั้งเปลือกและมีทั้งเนื้อคนฉลาดควรจะเข้าคนฉลาดจะเข้าหาเนื้อคนง่อจะเข้าหาเปลือก เราเป็นคนแบบไห น, นก็ขอให้นำเอาไปพิจารณาดูถามตัวเราเองก็แล้วกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปปกักปติ อิติตังปติตางตุมหังคิปะเมวะสะมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุ มาเตภวตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภะอภิวาทนสีิทธะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลง ต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาทำใครมีคำถามถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่ข้อความเข้ามาได้แต่อย่าถามตอนที่เราเลิกแล้วเพราะจะหมดเวลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อย t ี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอด ผู้ระฟังบนเขาร้อยสี่สิบเอ็ดรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบสองข้ารเจ้าถ้ามีใครอยากจะถามยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายัางไม่มีก็เอาคำถามที่ส่งมาทางบ้างหรือส่งมาในข้อความคำถามจากเฟ e บุ๊ k ค่ะคำถามจากคุณปรีชาจิตมโนโ ว, วิญญาณ คือตัวเดียวกันที่เรียกว่าวิญญาณขันเป็นธาตุรู้ที่วิ่งไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมารมใช่ไหมครับส่วนจิต ด, ดั้งเดิมที่เวียนว่ายตายเกิดตัวนี้มันคือตัวที่เข้าไปเห็นรูปเมทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันใช่ไหมครับคือคำว่าวิญญาณ น, นี่มีสองความหมายวิญญาณที่หมายถึงตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส เราเรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณตัวนี้เป็นส่วนของจิตคือผู้รู้ผู้คิดหรือใจมโนอันนี้เป็นตัวเดียวกันจิตใจมโนเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มีขันห้าเวลาอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณวิญญาณจึงมีสองความหมาย วิญญาณในขันห้าแล้วก็วิญญาณที่เวลาจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจิตใจเป็นดวงวิญญาณเช่นไปเกิดเก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณะจิตที่ไม่มีร่างกายก็จะไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาก็จะได้ร่างกายอันนี้เป็นตัวเดียวกัน ตัวจิตตัวใจตัวมโนตัวดวงวิญญาณนี้ตัวเดียวกันส่วนตัววิญญาณในขันห้านี้เป็นตัวที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายมาส่งให้ที่มาส่งให้ใจผู้รู้ได้รู้ว่ามีภาพเข้ามาแล้วเมื่อมีภาพเข้ามาใจก็จะให้สัญญาผู้ผู้ผู้จำได้หมายรู้ว่า ลูนี้เคยเห็นหรือเปล่าถ้าจำได้ก็รู้ว่าออกเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายก่อนนายขอถ้าไม่รู้ไม่มีจาไม่ได้ก็ก็จะรู้ว่าเป็นเพียงแต่ภาพก็เลยจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าภาพที่เคยเห็นรูปที่เคยเห็นจำได้ก็จะรู้ว่ารูปนี้ดีหรือไม่ดีพอ ร, รู้ว่ามี พอรู้ว่าดีก็จะเกิดเวทนาความสุขขึ้นมาถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เวทนาพอรู้ว่าสุขหรือทุกข์ก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าจะทําอะไรกับรูปที่ดีถ้ารูปดีก็อยากจะได้ถ้ารูปไม่ดีก็อยากจะทิ้งมันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของขัน นมขันสขันห้าคือร่างกายร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณคือผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายมาให้สัญญาความจำพอสัญญาจำได้ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่า จะทำอย่างไรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มาสัมผัสรับรู้พอเห็นพิซซ่าก็จะคิดยังไงดีกินไม่กินดีเองจิตสองใจหมอบอกว่าอยา ก, กินน้ําหนักเกินแต่ใจจะสู้กิเลสได้ไหรือเปล่าสูห้หมอจะสู้กิเลสได้ไหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่สังขารวิธีสังขารจะทําให้ไม่กินก็สังขารต้องเปลี่ยนสัญญา เปลี่ยนสัญญาจากรูปที่น่ากินมาเป็นรูปที่ไม่น่ากินเกิดไปนึกถึงพิซซ่าเวลามันอยู่ในปากหรือเวลามันอยู่ในท้องหรือเวลามันออกมาทางถวาวรหนักถ้าเห็นพิซซ่าในรูปแบบนั้นมันก็จะไม่อยากกินสังขารมันก็จะคิดไปอีกอย่างแต่ถ้าไปเห็นพิซซ่าในจานมันก็อยากกินนันมามีวิธีแก้ถ้าไม่อยากกินก็ต้องมองต้องเปลี่ยนสัญญาใหมา่ เปลนความจําใหม่อย่าไปจําพิซซ่าตอนที่มันอยู่ในจานให้ไปจําพิซซ่าตอนที่มันอยู่ในซุวมเนะ่ยมันก็พิซซ่าเหมือนกันเขาเรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าเอ่อเข้าใจไหมอ่าอย่าไปดูอาหารใหม่ให้ดูอาหารเก่าถ้าไม่อยากกินก็ต้องดูอาหารเก่าถ้ากินไม่ลงก็ต้องดูอาหารใหม่อย่าไปดูอาหารเก่าเดี๋ยวจะกินไม่ลง นี่คือเรื่องของวิญญาณเรื่องของขันห้าเรื่องของจิตมันอยู่รวมกันคําทํามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเพื่อนฝันว่าเจ้ากรรมนายเวนตามมาเอาคืนหมายเอาชีวิตเพื่อนเลยบอกไปในฝันว่าจะบวชให้ทดแทนเรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับการบวชแบบนี้ แต่ก็ไม่มั่นใจถ้าไม่ทำจะถือว่าผิดสัญญาไหมค ะ, ะถ้าเราไปสัญญาแล้วเราก็ต้องทำสิถ้าไม่ทำก็ผิดสัญญาไม่มีสัจจะส่วนผลจะเป็นตามที่คิดหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของเหตุของผลถ้ามันเป็นเหตุมันก็เกิดผลได้ถ้ามันไม่เป็นเหตุมันก็ไม่เกิดผลเราก็ต้องศึกษาว่าเหตุนี้ทำให้เกิดผลนี้หรือเปล่า ถ้าไม่เกิดทำไปก็ไม่เกิดอยู่ดีแต่เรื่องที่จะถ้าไปตั้งสัจจะไว้แล้วถ้าไม่ไปทำก็จะเสียสัจจะจะเป็นคนสับปลับซึ่งไม่ดีเป็นคุณสมบัติไม่ดีเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงมีสัจจะไม่งั้นต่อไปเราจะตั้งสัจจะไม่ได้ต่อไปจะตั้งสัจจะอะไรเดี๋ยวกรล้มเดียวไปเพราะไม่สามารถทาตามที่เราตั้งได้ การมีสัจจะนีสสำคัญเพราะการที่เราจะทำอะไรได้นี้เราต้องตั้งสัจจากันถึงจะทำได้ถ้าไม่ตั้งสัจจะเช่นวันนี้ไม่ตั้งสัจจะว่าจะมาวัดเราก็อาจจะไม่ได้มาวัดก็ได้พอมีเพื่อนมาชวนไปให้ไปที่นั่นที่นี่เราก็เปลี่ยนใจแต่ถ้าเรามีสัจจะเราก็จะไม่เปลี่ยนใจถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่ไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีสัจจะ จะสามารถทําอะไรที่ต้องการจะทําได้เพราะใจเรามันเป็นใจที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เราจึงต้องทําให้มันมีหลักมีเกณฑ์การจะมีหลักมีเกณฑ์ก็ต้องอาศัยสัจจะนี่เป็นส่วนหนึ่งเอนอกจากสัจจะแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามทําตามที่เราตั้งสัจจะให้ได้ออแล้วต้องมีความอดทนเพราะว่าทําอะไรที่ดีมันมักจะยากกว่าทําอะไรที่ไม่ดีเอ พอทำอะไรไม่ดีพอไปเจออุปสรรคหน่อยก็ทนไม่ได้ก็เลิกลาถ้าไม่มีความอดทนถ้ามีความอดทนก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปจนสามารถสำเร็จประโยชน์ที่ต้องการได้คำถามจาก YouTube ค่ะไอ้เสียงมันแตกเกิดหายๆนะอาจจะเป็นเพราะเครื่องนี้มันแบบไม่ดีนังไงมือเนี่ยไม่เป็นะปล้วทำไปก่อนเลยจากคุณกุลพัอน เวลานั่งสมาธิหลับตาฟังธรรมแล้วหลับตามันก็จะหลับไปเลยเจ้าค่ะต้องแก้ไขยังไงคะ <c oughs> ก็ลุกขึ้นม า, ามาฝึกสติให้มากขึ้นหรือถ้ากินข้าวตอนกินข้าวสิอิมใหม่ๆก็อย่าไปฟังธรรมเพราะเวลาท้องตึงหนังตามันจะหย่อนอ น, นต้องรต้องรู้ว่าเรากินมากเกินไปหรือเปล่า เราต้องรู้เวลาที่เราจะนั่งเฉยๆทำใจให้สงบนี้อย่าไปนั่งตอนที่เรากินข้าวอิ่มใหม่ๆเพราะมันจะง่วงนั่งปฏิบัติเวลาเขากินข้าวเสร็จนี้เขามักจะไม่นั่งสมาธิกันไม่นั่งฟังธรรมกันเขาจะเดินจงกรมกันแก้ ง, ง่วงก่อนเดินจกนกระทั่งรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วทีนี้ก็จะค่อยไปนั่งต่อ เยียงทางนี้มันเกิดเกิดดบดเนี่ยตัวนี้ว่าต่อไปคำถามจากคุณประทวนดิฉันเคยไปทำบุญให้ลูกด้วยการถวายบริการแปดเขาจะได้รับอนิสงค์อย่างไรเจ้าคะไม่ได้เลยบุญของใครของมันต้องทำกันเองเหมือนกินข้าวกินข้าวให้ลูกไม่ได้หรอกกินข้าวให้ลูกแม่ก็อ้วนลูกก็ผอมนั่นเอง จะอยากจะให้ลูกอ้วนก็ต้องให้ลูกกินบังคับให้ลูกกินแต่การทำบุญนี้ถ้าลูกยังไม่อยู่ในฐานะที่จะทำได้ก็ต้องรอไปก่อนเพราะยังไม่มีเงินทองของตนเองการจะทำบุญนี้ต้องเป็นการทำบุญด้วยของของตนเองถ้าลูกไม่มีเงินทองแต่ลูกมีของเช่นมีของเล่น ถ้าลูกอยากจะทำบุญก็เอาไปให้คนยากจนเด็กยากจนที่เขาไม่มีของเล่นก็ได้อย่างนี้ลูกก็จะได้บุญแต่จะต้องเกิดจากความปรารถนาของเขาไม่ใช่เราบอกเขาถ้าบอกเขามันก็ยังไม่เป็นบุญแต่ถ้าแนะนำเขาได้บอกว่าลูกถ้าอยากได้บุญเนี่ยเอาของที่หนูมีเนี่ยไปให้คนให้เด็กยากจนเขาจะได้มีของเล่น ถ้าเขาเชื่อแล้วก็ททำตามอย่างนี้เขาก็ได้บุญแต่ถ้าเราสั่งเขาบอกเขาว่าลูกเอาของนี้ไปให้เด็กนี้เราจ ะ, ะเขาอาจจะไม่ได้บุญเพราะเขาถูกสั่งถูกบังคับแล่ก็อาจจะได้ถาถ้าเป็นของเขาแล้วเขาเขายินดีที่จะทำตามเขาก็ยังได้อยู่แต่สู้จากการที่เขาคิดเองไม่ได้ถ้าเขาคิดเองได้มันก็จะไม่ต้องรอให้คนมาบอก แต่ในเบื้องต้นอาจจะต้องให้พ่อแม่สอนก่อนก็ได้พ่อแม่อาจจะสอนบอกว่าลูกท่านลูกอยากจะทำบุญลูกเอาแบ่งของที่ลูกมีอยู่ให้คนที่เขาไม่มีไปก็ได้หรือเสื้อผ้าร อ, องเท้าลูกมีหลายหลายชุดหลายคู่เห็นเพื่อนที่โรงเรียนยากจนไม่มีเสื้อผ้าใส่ลูกอยากจะเอาแบ่งไปให้เขาบ้างก็ได้อย่างนี้ถ้าเขาอยากจะทำเขาก็ได้บุญ แต่ต้องเป็นการกระทาของเขาและต้องเป็นของของเขานะถ้าเป็นของของเราเราเราซื้อของมาแล้วบอกลูกเอาของนี้ไปให้คนนั้นคนนี้เขาจะไม่ได้บุญเพราะเขาไม่ได้เสียสละนะคำถามจากคุณโปรติโนผมฝันประมาณว่ามีผีมาทำร้ายผมจึงท่องพุโทโธทันทีในฝัน ความฝันนั้นทำให้ผมกลัวแล้วสะดุ้งตื่นความรู้สึกกลัวนี้คือจิตใจของผมมีความเป็นอสุรกายเป็นที่ไปหรือครับควรทำอย่างไรให้หายกลัวครับก็มันเจริญสติอยู่เรื่อยๆวเวลาเกิดความกลัวก็ระงับมันด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่ก็ยังไม่หายกลัวอย่างถาวรระงับความกลัวได้ชั่วคราว ถ้าอยากจะกลัวอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาตายลักว่าร่างกายของเราในที่สุดมันก็ต้องตายเห็นมถ้าเรารู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องตายเราจะเราก็จะไม่กลัวตายเราก็ยอมตายได้เพราะไม่มีอะไรจะมาทำอะไรเราได้นอกจากทําให้เราตายเท่านั้นเมื่อมันจะตายมันก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้เห็นถ้าเรายอมยอมรับความจริงว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตาย ถ้าเรายอมตายต่อไปเราก็จะไม่เคยกลัวไม่มีความกลัวะเพอส่วนใหญ่ที่เรากลัวก็กลัวความตายหรือกลัวความเจ็บเนี่ยความเจ็บเราก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมเวลาเป็นไข้นี่เหมือนกับทุกถูกใครมาทุบมาตีทั่วร่างกายให้มันปวดระบมไปทั้งร่างกายให้คิดอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเออหนีไม่พ้นถ้าเรายอม เราไม่กลัวต่อไปเราก็จะไม่กลัวถ้าเรายอมเราก็จะไม่กลัวหายกลัวคำถามจากคุณกำพลค่ะผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติด้วยการบริกรรมครับครั้งละประมาณ 15-20 ถึงี่สิบนาทีทำได้มากสุดแค่ใจเบาๆแต่ยังไม่เคยเข้าถึงสมาธิแบบนี้ต้องทำไปเรื่อยๆและใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ กว่าจะปฏิบัติจนถึงสมาธิได้ออก็ต้องทำทั้งวันเลยอย่าไปทำเฉพาะเวลานั่งลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยให้มีพุโทโธหล่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยจะหยุดก็ต่อเมื่อเราต้องคิดเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็อย่าคิดให้อยู่กับพุโทโธไปถ้ามันไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธได้ถ้ามันคิดเราก็พุโทโธใหม่ ไม่ว่าเราจะทำอะไรอาบน้าล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่อคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดเรื่องงานว่าวันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธต่อถ้ามันจะไปคิดเรื่องอื่น ถ้ามันไม่คิดเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพุทโธก็คอยดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าทำไปกับร่างกายไปร่างกายแต่งตัวก็แต่งตัวไปนังตาร่างกายรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารไปก็ออย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะนั่งได้นานคำถามจากคุณขวัญถ้าเรามองใครหรือ มีใครมองเราแล้วถูกใจเราควรพยายามเปลี่ยนสังขารปรุงแต่งให้เป็นอสุภะเพื่อให้ความพอใจลดลงแต่ถ้าเรามีกรรมต่อ ก, กันต้องคบกันเราจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็โดนหนีเลยถ้าท่านหนีได้ก็หนีเนี่ยพระอานุนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้ปฏิบัติกับสุภาพสตรีอย่างไรพวกพุทธเจ้าก็บอกถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเจอกัน ถ้าเจอกันก็อย่าพูดอย่ามองหน้ากันอยให้พาสํารวมไม่มองข้างล่างอย่าไปมองที่หน้าตาแล้วถ้าพานวจนก็ถามว่าถ้าต้องพูดจะให้ก็ให้พูดน้อยพูดพูดเพื่อให้เลิกกันพูดให้เพื่อบายบายอย่าพูดความยาวสาวความยืด คำถามจากคุณหนิงหนิงถ้าเราทำหมันให้สัตว์โดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เขามาอาศัยอยู่ที่บ้านจะเป็นการล่วงเกินสิทธิแห่งการมีลูกของสัตว์นั้นไหมคะก็จะเอว่าล่วงเกินก็ได้แต่มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายชีวิตเขาไม่ได้ทําปาณาติบาตเป็นการป้องกันปัญหาที่จะตามมา ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะมีลูกมาเป็นค้อยิ่งจะมีปัญหาต่อสังคมแล้วก็กับตัวลูกกับตัวลูกหมาเองด้วยเพราะฉะนั้นการทาหม น, นี่ไม่ถือว่าเป็นการทําบาปคทํามจากอินบ็อกค่ะการทําบุญผาดไรเวลาบวชพระมีความเชื่อว่าห้ามทําคนเดียวจริงหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่จริงหรอกคือทําคนเดียวก็ได้ทําหลายคนก็ได้นะ ทีนี้มันไม่ได้หมาคําว่าแต่เฉพาะผ้าไต่ เ, เนีนี้ธรรมเนียมก็ถือว่าผ้าไต่นี้ต้องให้พ่อให้แม่หรือใครเป็นเจ้าภาพเป็นคนทําบุญอันนั้นเป็นคนจัดผ้าให้กับลูกเพืให้ลูกได้บวช น, นั่นเองเป็นธรรมเนียมที่เชื่อกันมาแต่เวลาทําบุญถ้าอยากจะร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้เพราะนอกจากผ้าไต่แล้วมันก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการทําบุญ แต่ต้องมีค่าดอกไม้ทูกเทียนค่าถวายเงินพระซื้อข้าวของถวายพระอีกมันก็ร่วมกันได้แต่หลัาจาถ้าจะเป็นเฉพาะเจาะจงกับพระตายตามธรรมเนียมเขาก็ให้พ่อแม่เป็นผู้ถวายแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ถือกคอยากจะถวายก็ยกถวายก็ได้มันก็เหมือนกันมันก็เป็นมันก็เป็นบุญเหมือนกัน คำถามจากคุณพนมพรต้องฝึกจิตยอย่างไรถึงจะพ้นเวทนาจากการนั่งสมาธิขอรับก็มันมีสองระดับระดับสติก็เวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายก็อย่าไปสนใจให้สติให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าส่งให้จิตไปคิดถึงความเจ็บถ้าไม่คิดถึงมันแล้วความเจ็บก็จะไม่สร้างความทรมานให้กับใจที่ใจ ท, ทรมานเพราะใจ อยากให้ความเจ็บหายแต่พอใจมาบุญกรรมพุโทโธพุธโทโธก็จะไม่สามารถสร้างความอยากให้ความเจ็บหายได้พอไม่สร้างความอยากใจก็จะไม่ทรมานอันนี้ก็เป็นวิธีแรกแต่เป็นวิธีชั่วคราวเพราะถ้าใจกลับไปคิดถึงความเจ็บเมื่อไหร่ก็จะเกิดความอยากให้หายเจ็บขึ้นมาก็จะเกิดความทรมานใจแล้วจะทนอยู่กับความเจ็บไม่ได้วิธีที่สองที่จะแก้หลัง ก็ต้องรอให้เราผ่านวิธีที่หนึ่งก่อนเพราะถ้าไม่ผ่านวิธีหนึ่งเราจะไม่มีกําลังพอที่เราจะมาแยกเวทนาความเจ็บออกจากใจออกจากร่างกายถ้าเรามีกําลังที่จ ะ, ะดึงใจออกจากเวทนาแล้วขั้นต่อไปเราก็มาสอนใจว่าเวทนานี้มันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่ใจใจเป็นเพียงผู้ที่มารับรู้เวทนาความเจ็บของร่างกาย ใจนี้ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายที่ใจเจ็บเพราะใจอยากให้ความเจ็บหายไปอใจก็ไม่สามารถที่ไปสั่งให้ความเจ็บนั้นหายไปได้เพราะธรรมชาติของความเจ็บมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การคำสั่งของใครมันจะเกิดจะดับมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนั่นจะไปให้มันดับเองนี่ ด, ดับตามคำสั่งเราไม่ได้ พอไปอยากก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่พอเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็เฉยๆไปให้รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายอันนี้เป็นขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาให้เรียนรู้ธรรมชาติของความเจ็บให้เรียนรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเวลาที่ร่างกายเจ็บ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าเรารู้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเพราะทุกอย่างเป็นอย่างนี้ของบางอย่างทำไมเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปอยากเช่นฝนตกเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปอยากให้มันหยุดแต่ถ้าเราไปอยากให้ฝนหยุดนี่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันที พระบางทีเราอยากจะทำมาตัวะอะไรแล้วทําไม่ได้ก็อยากให้ฝนหยุดนะเพราฝนไม่หยุดใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้ฝนมันตกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดเองเห็นได้ความเจ็บของร่างกายก็เหมือนฝนเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการอย่าไปอยากให้มันหายมันจะมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป มมจะหาหาายยเเดอก็งคำถามจากคุณอุ๊คะ่ะฝึกหัดสติและสมาธิฟังธรรมเป็นประจำแต่พอเจอดาราสวยๆใจกลับมีความพึงพอใจในการดูสิ่งสวยงามอยู่พยายามพิจารณาอสุภะแล้วแต่ว่าการมองว่ามองว่าสวยกับมีความสุขมากกว่าต้องทำอย่างไรเจ้าคะ เพราะว่าเราไม่ทําการบ้านทําการบ้านน้อยพอเวลาเจอข้อสอบก็เลยสอบตกเห็นยนังกลับไปทําการบ้านมันพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อยพยายามนึกถึงอสุภะนึกถึงอาการสามสิบสองของร่างกายมองเข้าไปใต้ผิวหนังนึกถึงส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นกะโหลกศีรษะนี่เรามีกะโหลกศีรษะอวดกันทุกคนแต่ไม่เห็นกันเพราะถูกหนังหุ้มห่ออยู่ เรามีโครงกระดูกเต็มอยู่ในร่างกายแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ทําการบ้านกันยันต้องพยายามขยันทาการบ้านนึกถึงอาการสามสิบสองนึกถึงโครงกระดูกนึกถึงกระโหลกศีรษะนึกถึงลำไส้นึกถึงปอดนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็เหมือนท่องสูตรคูณไงถ้าเราไม่หัดท่องสูตรคูณไว้เวลาจะใช้สูตรคูณก็ใช้ไม่ได้ พอาจำไม่ได้มันไม่ได้ฝังอยู่ในใจแต่ถ้าเราหมั่นท่องสูตรคูนอยู่เรื่อยๆสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหเนี่ยท่องไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจอสุภาะนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนสูตรคูนดีๆนี่นึกถึงมันอยู่เรื่อยๆก็เหมือนท่องสูตรคูนนึกถึงผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโครงกระดูกกระโหลกศีรษะปอดหัวใจตับนึกถึงแต่ละาการ ถ้าไม่รู้ว่าการเหล่านี้เป็นอย่างไรก็เปิดหนังสือดูได้หนังสือที่ก็ไปถ่ายมาหนังสือผ่าศพก็ได้หนังสืออานาโตมี omy, ที่นักศึกษาแพทย์ศึกษากันก็ได้เขาก็จะมีภาพของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายหัดดูบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดเห็นอะไรสวยๆงามๆเราก็จะได้ใช้สูตรคูนี้ได้เหมือนเวลาเราจะคิดเลข พออยากจะรู้ว่าสามคุณแปดได้เท่าไหร่แล้วก็ดึงสูตรคูณออกมาปุ๊บได้คำตอบทันทีต่อไปเวลาเราเจอของสวยๆงามๆก็นึกถึงอสุภะปุ๊บเลยมันก็ความความยินดีมันก็จะหายไปคำถามจากคุณซันเซ็ตค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีอาการปวดขาขวามากๆเหมือนว่าจะปรีออกมาซึ่งครั้งอื่นๆที่นั่งมาไม่เคยเป็น มีความรู้สึกว่าหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกอึดอัดมากเลยนึกอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสองครั้งอาการปวดขาค่อยๆหายไปวันที่สองนั่งแล้วหายใจไม่ได้เลยอึดอัดมากเลยเลิกนั่งขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้ควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็อย่างที่บอกก็ถ้าดูลมแล้วมันไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับลมได้มันจะไปคิดถึงความเจ็บก็ต้องอาจจะเปลี่ยนอาจจะใช้ทาบริกรรมพุทโธหรืออาจจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้สวดเอตติปิโสไปสวดไปภายในใจสวดไปให้อยู่กับบทสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเลิมเรื่องการเจ็บของร่างกายแล้วใจก็จะไม่ทรมานและความเจ็บบางทีก็หายไปบางทีก็ไม่หาย ไม่หายก็ไม่ทรมานอยู่กับมันได้เพราะจิตไม่ได้คิดปรุงแต่งอยากจะให้มันหายจิตมาอยู่กับบทสวดมนต์แทนหรือหยุดกับคำบริกรรมพุโทโธแทนถ้าใช้ปัญญาแยกแยะได้ก็แยกแยะว่าความเจ็บนี้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเหมือนฝนตกแดดออกไปอยากไม่ได้อยากแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจจะได้แต่ความทรมานใจได้แต่ความทุกข์ต้องปล่อยให้มันเกิดมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป แล้วใจก็จะไม่ทารมาแล้วก็จะอยู่กับมันได้เ อ, เ, อเอาคำถามสุดท้ า, ายเนี่ยมาลยาหลังๆ ล, ลูกมักจะทำบุญและถวายทานแด่พระสงฆ์โดยที่ไม่ได้มีการขอให้บุญนั้นๆกลับมาสู่ตัวเองอีกเลยคือฝึกทำทานโดยไม่คิดหวังผลทําให้ลืมคิดไปว่าเราสามารถยกบุญให้ผู้ที่ล่วงละไปได้เหมือนกัน อยากถามว่าลูกสามารถยกบุญจากการทำบุญครั้งก่อนๆให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วในตอนนี้ได้หรือไม่คะมันก็เป็นอาหารอาหารเก่ามันก็บูดไปหมดแล้วถ้าอยากจะทำอุทิศบุญใหม่ก็ต้องทำบุญใหม่จะดีกว่าเพราะบุญเก่าที่ทำนี่มันมันมันมั น, ม, น, ม, นมันหายไปจากความรู้สึกของเราแล้ว ถึงแม้มันจะสะสมอยู่แต่มันก็เข้าไปเลิอกอยู่ในใจอยู่ในอยู่ในความทรงจําำจะามาอุทิศนี้มันก็จะไม่เหมือนกับบุญที่เราทําใหม่นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ควรจะทําบุญใหม่จะดีกว่าจะอุทิศบุญเก่าก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะไปหรือไม่ไปอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของเราแล้วไม่เหมือนกับตอนที่เราทําบุญใหม่ๆสดๆร้อนๆ ทำแล้วจะเกิดความสุขความปิติความสบายใจอันนั้นแหละคือบุญที่เราสามารถอุทิศไปได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด